บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในนวสีปสิกาปัะพะับหรือหมวดทิว่าด้วยป่าช้าทั้ง9ก้าซึ่งได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่าอารมณ์ที่กำหนดระลึก และพินิจพิจารณานั้นสามารถสามารถใช้ซากศพและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับซากศพได้ทุกกรณีไปประเด็นสำคัญอยู่ที่การน้อมใจรำลึกถึงสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในร่างกายตนและกายของบุคคลอื่นเป็นประการสำคัญ หลักการที่ทรงน้อมทรงสอนให้น้อมใจเข้ามาพิจารณาตัวเองหลังจากประสบกับสิ่งที่แตกทำลายเปื่อยหน้าผุพังไปซึ่งอาจจะเป็นซากสัตว์ซากของคนหรือแม้แต่ซากของต้นไม้ใบไม้ก็ได้คนในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานดังที่เคยกล่าวมาเสมอว่า อะไรนั้นไม่สําคัญเท่ากับอย่างไรคือสิ่งที่ปรากฏแก่ประสาทสัมผัสของตนนั้นจะเป็นอะไรไม่ค่อยจะสําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าเราคิดถึงเรื่องเหล่านั้นอย่างไรเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างไรบางครั้งบางคราวแม้สิ่งที่สวยงามเป็นที่ต้องการปรารถนาของบุคคลทั่วไป แต่ถ้าบุคคลผู้มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นท่านจะมองเห็นอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งคือความจริงที่แท้จริงอันมีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นปฏิร ร, รูปหนึ่งกับสามเณรรูปหนึ่งได้ควงเสียงเพลงที่จีร้องด้วยกันทั้งสองท่านแต่คนละวาระกัน สามันเนรไม่สามารถที่จะควบคุม จ, จ, จิตใจตนเองได้เกิดกำหนัดในเสียงและสุตรีนั้นในที่สุดก็ต้องศึกออกไปแต่พระเทระซึ่งได้ฟังเสียงเพลงเช่นเดียวกันกลับอาศัยเสียงเพลงเหล่านั้นพินิษพิจารณาตามไปซึ่งใจความของเพลงเป็นการบรรยายถึงความสวยงามของดอกบัว ที่เกิดขึ้นภายในสากและเบ่งบานเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์เวลาการเวลาผ่านไปดอกบัวก็รุ่งโรยเปลี่ยนแปลงไปพระเทระก็พิจารณาดอกบัวจากเสียงเพลงคือดอกบัวนั้นไม่ได้ปรากฏแก่สายตาของท่านแต่เสียงเพลงปรากฏแก่โสตประสาทของท่าน ท่านก็อาศัยเสียงเป็นสื่อจินตนาการไปหาดอกบัวที่ไม่ปรากฏมองเห็นความเจริญเติบโตของดอกบัวจนถึงต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนไปเมื่อการเวลาผ่านไปก็ร่วงโรยไปตามลำดับดอกบัวที่ท่านนำมาปรุงคิดนำมาคิดปรุงนั้นเป็นสัญญาในอดีตคือความจำในอดีต ที่ท่านได้เคยพบเคยเห็นดอกกัวเหล่านั้นจูแต่เสียงนั้นเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเป็นอารมณ์ในปัจจุบันก็อารมณ์คือศรัท ธ, ธารมณ์ได้แก่อารมณ์คือเสียงในปัจจุบันเป็นสื่อดึงสัญญาณในอดีตเข้ามาปรงุงก็เห็นตามคล้อยตามความเป็นจริงเหล่านั้นเมื่อท่านมองเห็นที่ดอกกุ้งแล้วท่านก็น้อมเข้ามาหาตนเอง พิจารณาตนเองตั้งแต่เกิดมาจนถึงที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้นก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของท่านและน้อมตัวเองเข้าไปสู่อนาคตการว่าในอนาคตการนั้นแม้ตนเองก็จะร่วงโรยไปแตกทำลายไปเช่นเดียวกับดอกบัวฉะนั้น จึงนการมองในลักษณะนี้ก็การเป็นการพิจารณาตามหลักของพระไตรลักษณ์นั่นเองท่านแสดงไว้ว่าร่างกายของบุคคลที่สามารถดำรงอยู่และสืบเนื่องกันไปนั้นท่านสรุปด้วยปัจจัยสมประการคืออายุไออ่นและวิญญาณอายุคือการเกิดสืบเนื่องของสันติ ที่ทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายที่แตกดับไปแต่กลับมีสิ่งอื่นเข้ามาชดเชยเช่นเซนต์ต่างๆ ต, า, งตายไปแต่ว่ามีเซน์ใหม่เกิดขึ้นแทนขนเก่าหลุดร่วงไปผมใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนขนเก่าหลุดร่วงไปขนใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนในส่วนต่างๆที่มีการเกิดดับแต่มีสัน ต, ติหล่านั้นเป็นการเชื่อมชีวิตให้ดำรงกันอยู่ได้ ในขณะเดียวกันก็มีไออุ่นและวิญญาณหรือจิตใจเป็นตัวหลักที่ปรนปลือชีวิตให้ดำรงอยู่ปัจจัยทั้งสามประการนี้ <c oughs> ปัจจัยอย่างใดยังหนึ่งขาดไปแมะอย่างอื่นก็ต้องขาดตามไปด้วยและการขาดของปัจจัยเหล่านี้จะขาดเมื่อไรเวลาไรก็ไม่มีใครกำหนดรู้ได้ ซึ่งบางครั้งบางคราวราพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลมองชีวิตของตนเองเหมือนอยู่ถ้ำกลางภูเขาศิลาแท่งทึบที่กริ่งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่คนที่อยู่ในแวดปวงล้อมของศิลานั้นก็จะต้องถูกศิลาบททับจนตายไปในที่สุดส่วนใครจะตายก่อนจะจัดตายก่อนตายหลังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า ทีลานั้นมาถึงใครก่อนเท่านั้นเองความตายคือความแตกขาดแห่งชีวิตตินทรีซึ่งมีแกะสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นซากศพสิ่งทั้งหลายที่ตายไปตลอดถึงซากของสัตว์และซากของคนกลับเป็นบทเรียนในการเจริญกรรมฐานของผู้ปฏิบัติธรรมะได้เป็นอย่างดี ประเด็นที่ทรงสอนให้น้อมเข้ามาหาเมื่อสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นพระทรงใช้คำเพียงสามคำว่ายังปีโคเมกาโยเอวังธรรมโมเอวังาวเอวังอนัติโตแมกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามีสภาวะหรือมีสภาพเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ คือมองจากซากสัตว์ซากศพหรือซากสิ่งของก็ตามแล้วน้อมเข้ามาหาตนโดยในยะนี้ซึ่งความคิดในลักษณะนี้ทำให้บุคคลสามารถตั้งสติระลึกน้อมนึกกัสิ่งต่างๆที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันเข้ามาสู่จิตใจของตนเป็นการเพิ่มพูนความจริงขึ้นภายในจิตใจ ทำให้จิตของผู้ปฏิบัติได้เก็บได้สะสมความรู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของสัตว์และสิ่งของทางหลายในโลกเก็บสะสมไว้ภายในจิตใ จ, จมากขึ้นจึงการเก็บสะสมในลักษณะนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นบารมีธรรมดูแล้ว้ายๆจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไร ในเมื่อสิ่งที่เก็บที่สะสมไว้นั้นยังมีจํานวนน้อยอยู่แต่ข้อนี้ถ้าผู้ปฏิบัติได้พิจารณาเทียบเคียงถึงสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือส่วนของอาหารที่บำรุงร่างกายเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนเช่นการเรียนหนังสือเป็นต้น แต้่จริงแล้วก็เป็นการเก็บการสะสมกันทีละนิดทีละหน่อยเมื่อเก็บสะสมมากขึ้นเพิ่มขึ้นจิตของบุคคลก็จะจัดสิ่งเหล่านั้นด้วยจิตเองที่เรียกกันว่าปรุงคิดหรือคิดปรุงเองทงั้งๆที่บางครั้งบางคราวสระกับพยัญชนะเป็นต้นหรือวรรณยุกเราก็เก็บกันคนละครั้งคนละคราวกัน แต่เมื่อเข้าไปสะสมอยู่ภายในจิตจิตก็จะทำหน้าที่จัดสิ่งเหล่านั้นให้เป็นระบบด้วยตัวของจิตเองซึ่งเป็นธรรมชาติประการหนึ่งของจิตที่ท่านใช้คาคิดอารมณ์อารมณ์ที่จิตคิดนั้นก็คือสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเวลาแกต้องการใช้แกก็คิดขึ้นมาเป็นระบบเป็นกระบวนการเป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งว่าที่จริงในตอนเก็บก็เก็บกระจัดกระจายกันไปต่างกรรมต่างวรรค ก, กันไปลักษณะเหล่านี้เป็นยุคสมัยของคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าจิตนั้นทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์สิคอมพิวเตอร์มันเขาเปราะป้อนโปรแกรมอะไรให้แก่ไปแกก็ข้าไปจัดระบบของแกเองแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเช่นนั้นแต่จิตทําได้ดีพิเศษกว่านั้นคือสามารถ เสิ่งต่างๆที่เป็นอดีตการนานไกลเข้ามาจัดขึ้นเป็นระบบออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความรู้เป็นความส ง, งบเป็นความเข้าใจตลอดถึงเป็นการคาดหมายถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประงานของจิตนั้นนอกจากจะคิดอารมณ์แล้วยังประกอบด้วยปัญญาในระดับต่างๆที่ท่านแสดงไว้ว่า เป็นปัญญาระดับสัญญาคือความจำในเชิงรูปแบบเก็บมาไว้อย่างไรก็แสดงออกมาได้อย่างนั้นแต่ปัญญาอีกระดับหนึ่งเป็นระดับของวิญญาณเป็นความรู้แจ่มแจ้งที่บังเกิดขึ้นในเรื่องเดวหนึ่งและเป็นปัญญาระดับยานหรือระดับปัญญาที่แท้จริงเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้น สามารถบรรเทาความยึดติดด้วยอำนาจตันหาอุปาทานในรูปแบบต่างๆลงไปได้ดยการเก็บการสะสมไว้โดยในยะนี้เมื่อแกมีกำลังมากพอมีเหตุปัจจัยมากพอเวลาสัมผัสกับวัตถุภายนอกว่าจะเป็นเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกายก็ตาม ปัญญาจะเข้าไปวิเคราะห์ตัดสินพินิษพิจารณาโดยอาศัยเชื้อเดิมที่มีอยู่แล้วเข้าผสมประสานกันก็อให้เกิดความรู้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงของมันอย่างไรซึ่งลักษณะเหล่านี้ท่านที่มีบารมีธรรมแ ก, ก่กล้าได้เก็บได้สะสมไว้ภายในจิตสันดานมากพอ ก็พร้อมที่จะแสดงออกมาได้ตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาล mm. เช่นพระยสสะเทระหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ดีเรามีลักษณะเช่นเดียวกัน mm. เมื่อบา ร, รมีเต็มรอบคือเกิดขึ้นสมบูรณ์ไม่พร้อมที่จะอยู่ในคารวาสสวิสัยแดวสิ่งที่เป็นบา ร, รมีธรรมเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาปรุงแต่งจิต ทำให้มองเห็นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งในสายตาของคนที่มีกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจก็มองเห็นเป็นความสวยงามประณีตบรรจงน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่พระโพธิสัตว์ก็ดีพระยสัต์เทระกก็ดีกลับมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าชา แต่แต่จริงคนเหล่านั้นในขณะนั้นก็ไม่ได้เป็นซากศพแต่เป็นเรื่องของสัญญาในอดีต ท, ที่อาศัยปัญญาเข้าเพ่งพินิษพิจารณาบวกกับอารมณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันสิ่งทั้งสามนี้ทำงานประสานสัมพันธ์กันเป็นการมองคนซึ่งนอนอยู่ในขณะนั้นแต่มองไปถึงอนาคตการ ว่าจะต้องเป็นซากศพที่ชิ้งอยู่ในป่าชาส่วนสัญญาที่เป็นซากศพนั้นเป็นสัญญาในอดีตการนานไกลซึ่งเป็นบารมีอันท่านได้สั่งสมอบรมไว้ซึ้นท่านเล่า ว, ว่าการที่พระยศาสเทระเห็นได้เช่นนั้นก็เพราะในอดีตการนานไกลท่านเคยทำหน้าที่เป็นคนเก็บซากศพคนนาถาทำการชาปนากิจ เป็นการเผาศพแบบโบราณเมื่อเผาไปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของซากศพไปโดยลาดับที่จริงก็เป็นการทำงานมานานแล้วแต่วันอื่นๆนนั้นเป็นเรื่องของความสงบไม่ได้ใช้ปัญญาความสงบที่เก็บสะสมไว้แต่ละครั้งแต่ละคราวที่ท่านเผาซากศพอยู่นั้นรวมทั้งธรรมสังเวช ท, ที่เกิดขึ้น จากการสงสารบุคคลเหล่านั้นมาผสมประสานกันก็ก่อให้เกิดเป็นปัญญาทำให้ท่านได้พิจารณาถึงความจริงแห่งสรางศพและนำความรู้ความเห็นเหล่านั้นมาบอกกล่าวแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของท่านจึงกลายเป็นบารมีธรรมของท่านเหล่านั้นที่เมื่อมาฟาดพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมะอย่างเดียวกัน เนื่องจากพื้นฐานทางบา ร, รมีเป็นเช่นเดียวกันแต่ท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุอริยผลเช่นเดียวกันดังนั้นการกําหนดพินิษ์พิจารณาเช่นนี้จึงสามารถทําได้ในที่ทั่วไปเช่นว่าไปในงานศพซึ่งก็มีอยู่สม่ําเสมอแม้ซากศพจะไม่ปรากฏแต่ด้วยสัญญาในอดีตนั้นคนก็เคยเห็นซากศพด้วยกัน และซากศพในรูปแบบต่างๆที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในป่าช้าทั้ง9ก้านั้นเป็นสัญญาในการก่อนหรือสัญญาในอดีตที่บุคคลได้เก็บไว้ได้เก็บภาพเหล่านั้นไว้ภายในใจของตนแล้วดังนั้นเมื่อนั่งอยู่ที่หน้าโรงศพก็อาจจะกำหนดพินิษ์พิจารณาโดยน้อมใจนึกเาถึงความเปลี่ยนแปลง แม้จะแม้ซากศพตัวนั้นจะจะต้องฉีดยาหล่อเลี้ยงเอาไว้ก็ตามแต่โดยสภาวะที่แท้จริงแล้วก็จะต้องมีการเปลือยหน้าผุพังเปลี่ยนแปลงไปตามกันเมื่อมองเห็นความจริงที่ซากศพตัวนั้นแล้วก็น้อมนึกเข้ามาหาตนโดยนิยะที่ทรงแสดงให้พิจารณาสามจังหวะของความคิดอย่างกล่าวแล้ว เพราะแม้ร่างกายของเราก็จะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมความรู้ความเห็นเหล่านั้นไว้ภายในจิตใจอย่างน้อยที่สุดในขั้นของการดารงชีวิตก็สามารถควบคุมจิตของตนเองได้ ยามประสบกับการพลาดพลาดจากบุคคลศาตว์สิ่งของอันเป็นทิรักของตนดการมองในแนวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการมองว่าจะมองกันอย่างไรอย่างพระประตาจาราเทรีซึ่งมีปัญหาในด้านจิตใจมากเพราะประสบการพลาดพลาดคนนั้นเป็นทิรักถึงหกคนในคืนเดียวกันแต่พอปัญญาบังเกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จของท่านเต็มที่เป็นพระอริยบุคคล ท่านกลับมองเห็นอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งป่ะแต่ที่จริงแล้วคนเราทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวกันอยู่ในโลกนั้นเป็นเรื่องของกรรมนำให้เป็นไปอย่างในระแห่งพระพุทธดํามรัฐที่สัตว์ว่ากรรมนาวัตตีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ก็จะเป็นไปตามกรรมของตนคนเหล่านั้น เมื่อมาสู่โลกนี้ก็ไม่มีใครนัดหมายกันมาสู่โลกนี้ต่างคนต่างถูกแรงผลักดันของกรรมนำให้ปฏิสนธิในกําเนิดได้แตกต่างกันการที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยต่างโดยเป็นเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรธิดากันนั้นเป็นเรื่องของกรรมที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเท่านั้นเองที่ส่งมาให้เกิด แต่แท้ี่จริงแล้วคนเหล่านั้นเมื่อมาเกิดก็ไม่ได้ขออนุญาตจะมาเกิดเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเวลาจากไปกไ็ไม่ได้มีการร่ำลา ก, กันแต่ประการใดท่านจึงแนะแกบุคคลเป็นอันมากว่าและเรื่องอะไรท่านทั้งหลายจะต้องร้องไห้เสียใจยกับคนที่มาก็ไม่บอกไปก็ไม่หลาเช่นนี้นี่ก็เป็นการมองชีวิต ในแง่ที่จะต้องมีความเสือ่อมมีความสลายไปเป็นธรรมดาการที่ทรงสอนให้พิจารณาเช่นนี้ตั้งแต่เริ่มต้นของกายานุปัสนาสติปฐานเป็นต้นมานั้นป้าหมายก็คือต้องการจะกระจัดความรุนแรงแห่งตัณหาที่มีอยู่ในวัตถุธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูป ในลักษณะต่างๆคือกายตนหรือกายบุคคลหรือด้วยรู ป, ปรวัตถุทั้งหลายเมื่อเกล้าโดยสรุปก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งหลายอาจจะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายก็ตามที่ทรงใช้คําโดยสรุปว่ากามารมคือ้อรม์อันก่อให้เกิดความคลายความปรารถนาความยินดีแก่บุคคลผู้มีกิเลสย้อมใจทั้ง ในการที่ทรงหลากหลายอารมณ์ออกไปเช่นนี้ก็เพราะว่าปัญญาเป็นเครื่องพิณิพิจนาอารมณ์ของบุคคลนั้นแตกต่างกันบางคนไม่ต้องเดินมาถึงเรื่องของซากศพใช้แต่เพียงอนาปานาสติก็สามารถทำใจของตในให้ส ง, งบเกิดความรู้แจ้งเหน็นจริงได้แต่ถ้าขั้นตอนเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยได้ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้จากซากศพถึงการเรียนรู้จากซากศพนั้น ทรงใช้ในกรณีต่างๆคือสำหรับบุคคลที่อาการหนักหมายถึงว่าตัญหาในอารมณ์ต่างๆมากและปัญญาอ่อนมากจนไม่สามารถที่จะเรียนด้วยวิธีอื่นได้ก็มาเรียนด้วยวิธีนี้อย่างเช่นทรงสอนแก่ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีความกำหนัดยินดีรักใคร่ในนางสิริมา ต้องอาศัยซากศพของนางสิริพาโดยตรงแล้วก็ปล่อยให้เปือยเน่าจนส่งกลิ่นเหม็นตลบไปแล้วเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้เพื่อจะถอนตันหาที่มีอยู่ภายในใจของท่านรูปนั้นแต่ถ้าใครไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้อารมณ์่อนี้ก็ไม่ได้ส่งสอนให้ใช้อารมณ์นี้แต่ในขณะเดียวกันแม่จะไม่ใช่เต็มรูป แต่ถ้าคิดอยู่เสมอเมื่อประสบกับสิ่งสัตว์บุคคลที่มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาแล้วน้อมนึกข้ามาว่าเป็นเรื่องธรรมดามีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรือจะมองเพียงสองคำว่าเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คิดไว้ภายในใจบ่อย แล้วก็กลายเป็นบารมีธรรมที่เสริมสร้างขึ้นในปัจจุบันซึ่งข้อ น, นี้ท่านทั้งหลายจะพบว่ายัางพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯจะอยู่หัวนั้นได้ทรงสนพระทัยในเรื่องอนัตตาของสังขารทั้งหลายเป็นดังนี้พระราชนิพนธ์ที่ปรากฏในที่ต่างๆจะเน้นถึงเรื่องนี้มากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นบทสวดบทแสดงอะไรก็ตาม ในตอนที่ยังดำรงพระชนอยู่ก็สงสนพระไทยแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นประจักษ์แก่พระปัญญาได้อย่างแท้จริงแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อเก็บรวบรวมความรู้ความเข้าใจในอนัตตาความเป็นอนัตตาแห่งสังขารและธรรมทั้งหลายไว้ได้มากๆเวลาพระองค์ไม่สามารถควบคุมอาการโรคที่เสียดแทงได้ และอาการไข้ซึ่งคุกคามพระองค์ได้ก็ทำให้อนาตตาเหล่านั้นได้เกิดขึ้นทำให้พระองค์มองเห็นถึงความจริงชัดเจนนิ่งขึ้นจนสามารถแยกจิตออกจากกายโดยพระราจารยดำรัสที่ว่าแม้กายเราจักกระสับกระสายแต่ใจเราจักไม่กระสับกระสายเพราะมองเห็นว่ากายนั้นเป็นอนาตตาไม่ใช่ตัวใช่ติ และทรงเน้นว่าสิ่งใดที่บุคคลยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษนั้นไม่มีเลยซึ่งเป็นการบ่งชี้เห็นถึงพระปัญญาที่เกิดขึ้นภายในประทัยของพระองค์มองเห็นความเป็นอนัตตาแห่งสังขารธรรมทั้งหลายถ้าหากว่าบุคคลอาศัยวัตปัจจัยภายนอกก็ดีหรืออาศัยปัจจัยภายในคือตัวของตัวก็ดี มาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาโดยในยะนี้และมีการกระทำไปบ่อยคือกระทำสืบเนื่องกันไปอย่างน้อยเพียงชั่วขณะจิตหนึ่งที่บาลีท่านใช้คำว่าเพียงจิตตุปปาฏิหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับการกระทำความดีส่วนอื่นจนในระดับของสมถะกรรมฐานก็ทรงใช้คำว่าแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวขอให้เกิดขึ้นบ่อยๆเท่านั้น เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นการเริ่มสะสมมาจากจุดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อบุคคลทำให้เกิดขึ้นได้แล้วในโอกาสหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นก็กระจายตัวเองออกไปมองเห็นสปปรรพสิ่งทั้งหลายทำไมจึงจำเป็นจะต้องกระจายเพราะว่าตัณหาแก่กระจายแก่ความรู้เห็นธรรมะจะต้องกระจายทันตัณหาและสามารถดับตัณหาในอารมณ์ต่างๆได้ ลักษณะการกระจายหรือสายปลายแห่งตันหานั้นให้ลองสังเกตว่าเวลาแกมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวในปัจจุบันแกก็เห็นแกเข้าใจแต่แกจะวิ่งกลับไปสู่อดีตไปสยบอยู่กับอดีตไปนิ่งเงียบอยู่กับอดีตเพราะอาดีตนั้นก็ให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจแกเขาซึ่งข้อนี้ลองสังเกตบุคคลที่มีวัยต่างกันได้ ว่าคนที่ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่ในวัยชารานั้นท่านมองเห็นความไม่ความไร้สาระของชีวิตไม่สามารถบังคับอวัยวะมือเท้าให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการได้จะลุกก็ไม่ค่อยถนัดจะนั่งก็ไม่ค่อยสบายเสร็จแล้วท่านจะวิ่งกลับไปฝันถึงอารมณ์อดีตชื่นชมอยู่กับอดีตบางคนจะจมอยู่กับอดีตเป็นเวลานา น, า น, าน โดยไม่ยอมออกมาไปเชิญหน้าปัจจุบันแต่ทุคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนั้นยังอยู่ในโลกของความหวังแกจะข่ายพระอนาคตรุงแต่งอารมณ์ในอนาคตออกไปโดยวิจิตพิสดานด้วยความฝันด้วยจินตนาการนี่คืออาการสายไปของตันหะซึงมีลักษณะเหมือนเถาวันที่เลื้อยเรื่อยไปดังนั้นจึงทรงสอนให้มองในแนวที่กระจาย จะสามารถดับตัณหาในอารมณ์ต่างๆได้อย่างที่ทรงแสดงโดยสรุปว่าขันทั้งหอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีที่เป็นอนาคตก็ดีที่เป็นปัจจุบันก็ดีเคยมองเห็นทั้ง3กานแต่การติดในขันห้านั้นก็มีหยาบมีละเอียดมีเลวมีประณีตมีไครมีใกล้กันด้วยประการต่าง ก็สงสอ น, อนพิจารณาแบบกระจายทั้งหมดลงไปเลยบ้างหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันทั้งห้านั้นก็ศักดิแต่ว่าขันห้าในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเน้นที่รูปขันคือกองแห่งรูปซึ่งมีอิทธิพลครอบงําใจบุคคลมากเป็นพิเศษ และพึงสังเกตว่าคนสวดมากจะติดอยู่ในกองรูปมากกว่กองอื่นปรารถนาเพลิดเพลินยินดีไขว้คว้ า, วาสแสวงหาการในรู ป, ปรวัตถุคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ใจไปกําหนดว่าน่าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเมื่อสามารถเข้าใจถึงความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นในการทางสามในสภาวะต่างๆแล้ว จิตใจของตนก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งนั้นมองดูความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในกายอาจจะอาศัยอะไรก็ได้ส่วนที่เกี่ยวเนื่องโดยกายก็ได้เพราะแม้แต่ลมหายใจเองก็สามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้เช่นว่าความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความแตกดับไปของลมหายใจ ก็เป็นการมองในช่วงสั้นถึงว่าที่จริงร่างกายถ้าร่นการเวลาคือตัดการเวลาออกไปก็จะมีความเกิดดับในลักษณะนั้นเรื่อจะเร็วกว่านั้นเลยทำไปเมมองเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเปลี่ยนแปลงของกายประจักษ์แก่ใจพอมองอีกชั้นหนึ่งแล้วปัญญาปรากฏสูงขึ้นจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อย ไม่มีอะไรที่ดำรงคงอยู่แล้วมองเชื่อมโยงไปทั้งกายภายในทั้งกายภายนอกคือทั้งกายตนและกายบุคคลอื่นหรือวัตถุสิ่งของต่างๆล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันที่ทรงสอนในพิจารณาโดยสรุปว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคลมาเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อนั้นย่อมนายในกองทุกนี่คือทางแห่งความหมดจุดหมดจดแห่งอะไรหมดจดในด้านศีลคือความรุนแรงของกิเลสที่บังคับคนให้กระทำผิดศีลหมดจดในด้านจิตใจคือจิตใจไม่ถูกรุ่มรุมด้วยนิวรณธรรมทั้ง5ประการและหมดจดในด้านสังโยชน์ในด้านโนสัย ที่สงบนิ่งอยู่ภายในจิตใจของตนทางแห่งความหมดจดตัวนี้เกิดขึ้นได้โดยบทเรียนรอบตัวของบุคคลทั้งหลายต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป